ได้ความรู้อะไรบ้างวันนี้ได้ประโยชน์อะไรไหมดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยมาสรุปอีกทีหนึ่งนะไม่ได้เล่าเรื่องของท่านปุ ก, กุสาติจะมาสรุปเรื่องว่าธรรมะในตอนท้ายของพระสูตรนี้พูดถึงเรื่องแยกธาตุเป็นธาตุหกธาตุหเนี่ยตัวสำคัญคือตัววิญญาณธาตุ วิญญาณธาตุคอยออกรู้ทางช่องทางหกช่องทางหกช่องทางนี้เรียนรู้แล้วมันจะมีเวทนาสามอย่างเป็นตัวหน่วงให้จิตติดอยู่กับโลกมีสุขมีทุกข์หรือมีเฉยเฉยถ้าไม่รู้จักมันก็หน่วงติดอยู่กับโลกนี้ต่อไปดัง น, นั้นพึงอย่าประมาทอย่าประมาทปัญญาพึงอนุรัก ษ, ษ์สัจจะตามรักษาสัจจะพึง เพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาสันติสอย่างต้องตั้งตั้งใจไว้ว่าจะให้จิตตั้งมั่นอยู่ในธรรมสี่ข้อนี้ปัญญาสัจจะจาคะอุปสมะปัญญาก็ต้องอย่าประมาทปัญญาสัจจะก็ต้องรักษาสัจจะจาะคะต้องเพิ่มพูนเพิ่มพูนตัวจาระคะไม่ใช่เพิ่มพูนของเราอยู่เนี่ยเพิ่มพูนของ อยากได้ของมากอยากได้เงินเินมากๆอยากได้ความรู้มากๆแต่ไม่มีจาคะเรามีความรู้ลเยอะแล้วติวให้เพื่อนบ้างหรือว่าแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นบ้าง mm. เป็นการเพิ่มภูนจาคะ mm. ศึกษาสันติต้องสันติด้วยอย่ามัวแต่ฟุ้งซ่าน อ, อย่างเดียว <laughs> อย่ามัวแต่คอยหาเครื่องกระตุ้นอยู่เรื่อยๆ <laughs> ก็เลยไ ม, ไม่สงบสักที ต้องศึกษาสันติด้วยพอสมควรนะมีบุญแล้วเพื่อแผ่เป็นบุญใหม่บุญที่มีอยู่นี้เป็นบุญหนึ่งเป็นบุญอันหนึ่งนะบุญที่ได้จากการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมการแสดงธรรมมีบุญแล้วเป็นบุญเหมือนถ้าเปรียบเปรียบแล้วก็เปรียบเป็นก้อนหนึ่ง บุญก้อนเนี้ยไปทำบุญต่อได้อีกคืออุทิศให้ผู้อื่นการอุทิศให้ผู้อื่นเนียไม่ใช่เสียบุญนี้ไปแต่ได้บุญใหม่มาบุญนี้ยังคงเป็นบุญอยู่นะบุญจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังธรรมการแสดงธรรมเป็นบุญไปแล้วมีบุญอันนี้แล้วคิดเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นบุญนี้ไม่เสียหายไปเปรียบเหมือนมีไฟจากเทียน จุดเทียนขึ้นมาสว่างแล้วมีคนอื่นมาต่อเทียนเทียนเดิมไม่ดับมีเทียนดวงใหม่ที่สว่างขึ้นมาเรามีบุญแล้วเราอุทิศคือแบ่งปันเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นถ้าผู้อื่นเขาอนุโมทนาเขาจะได้บุญนั้นด้วยถ้าไม่าอนุโมทนาถ้าเขาไม่อนุโมทนาเรามีบุญใหม่เกิดขึ้นคือบุญจากการเผื่อแผ่ปฏิทานใหม่ ได้มาฟรีๆเพียงแค่คิดเผื่อแผ่ไม่คิดหวงไม่คิดหวงเอาไว้นะเรียกว่ามีจาคะอีกรูปแบบหนึ่งเผื่อแผ่บุญพึงเพิ่มภูนจาคะโดยวิธีนี้ด้วยนะแล้วถ้าใครเขาต้องการบุญเขาก็จะมาอนุโมทนาเองถ้าเขารับรู้ยินดีในการที่เราสร้างบุญอันนี้แล้วเผื่อแผ่ให้เห็นว่าเราทาดีมีประโยชน์แล้วยินดี เขาได้บุญด้วยนะถ้ารับรู้ว่าเราไม่หวงและมนันอนุโมทนาเขาก็ได้บุญนั้นไปใจของเราคือมีบุญแล้วไม่หวงบุญนี้ปรารถนาให้บุญนี้มีประโยชน์ให้มากที่สุดใครที่ปรารถนาบุญอนนี้จงมาอนุโมทนา